วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองันห้าสหกเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่เราจะมาศึกษามาเร่มเรียน วิชาความรู้จากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้ใจมีแต่ความสุขความเจริญธรรมะวันนี้ที่เราจะมาฟังกัน คือสัมมาวาจาวาจาชอบวาจาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรวาจาที่ถูกต้องนั้นที่พระพเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพูดกันก็คือให้พูดความจริงสองให้พูดคำสุภาพเรียบร้อย สให้พูดเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันและสี่ให้พูดเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดการพูดอย่างไรที่จะทําให้เกิดความรู้ความฉลาดก็ต้องพูดเรื่องธรรมะคือการสนทนาธรรมคุยเรื่องธรรมะกัน เพราะการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งธรรมสากัะชาเอตัมมังกลมุตตะมังมการสนทนาธรมรมทำถามตอบทำถา ม, มเป็นการพูดที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง<ม>การสนทนาธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรง นะให้สนทนาธรรมในหัวข้อสิบหัวข้อด้วยกันคือหัวข้อที่หนึ่งให้พูดเรื่องความมักน้อยข้อที่สองให้พูดเรื่องความสันโดษคือยินดีตามนี้ตามเคยข้อที่สามให้พูดถึงสถานที่สงบสงัดวิเวก ข้อที่สี่ให้พูดถึงความความเพียครยยวความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรรมต่างๆให้เกิดผลขึ้นมาข้อที่ห้าให้พูดเรื่องศีลข้อที่หกให้พูดเรื่องสมาธิ ข้อที่เจ็ดให้พูดเรื่องปัญญาข้อที่แปดให้พูดเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตติและข้อที่สิบให้พูดเรื่องวิมุตติญาณทัศนะคือญาณอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเราได้เราไม่ทุกข์กับมันอีกแล้วเป็นต้นนี่คือหัวข้อธรรมสําหรับชาวพุทธเราที่เวลาที่เราพบปะกันคุยกันก่อนจะคุยเรื่องธรรมะกันก็จะได้เกิดความรู้เกิดความฉลาดที่จะเอาไปใช้ในการกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจอยู่มาตลอดถ้ามีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจแล้วความทุกข์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนี้จะไม่เกิดขึ้นมาได้นี่แหละคือเรื่องราวที่เราควรจะคุยกันไม่ควรที่จะคุยเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของชาวบ้านเรื่องของการนินทาการเลววิพากษ์วิจารณ์ตําหนิคนนั้นด่าคนนั้นด่าคนนี้เรื่องราวเหล่านี้พูดไปยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ความรุ่มร้อนแก่จิตใจไม่ได้ทําให้ใจเย็นใจสงบควจะพูดที่เรื่องที่จะทําให้ใจสงบจะดีกว่า พราะความสงบของใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงให้เรามาพูดเรื่องราวที่จะทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเรามีความสุขกันดีกว่าข้อที่หนึ่ง ให้เราพูดเรื่องของความมากน้อยความมากน้อยในการบริโภคปัจจัยสี่เช่นการรับประทานอาหารก็ ร, รับประทานพอประมาณอย่าไปรับประทานมากจนเกินไปการรับประทานมากไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจแต่กลับจะเป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็จะมีน้ำหนักเกินแล้วก็จะมีโรคภัยต่างๆตามมาโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุดตันเป็นต้นให้รับประทานพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าเป็นชาวพุทธนี้ก็นอกจากนิยมรับประทานแค่วันละสองมือ้อ ถือศีลแปดไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว<ม>ถ้าเป็นพระภิกษุนักบวชก็จะรับประทานวันละมือ้อก็พออยู่ได้รับประกันได้ไม่ตาย<ม><ม>แล้วก็จะไม่มีโรคภัยต่างๆทางร่างกายจะไม่มีโรคของความดังเบาหวาน<ม>ไขมันอุดตันโรคหัวใจอะไรต่าง ๆ, ต า, งๆตามมา โรคที่เกิดจากการกินมากเกินไปจะไม่เกิดถ้าเรารู้จักความมากน้อยในการบริโภคอาหารกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่อดับความทุกข์ทางร่างกายดับความหิวของร่างกายอย่าอยู่เพื่อกินอย่าหาความสุขจากการกินเออ ถ้าหาความสุขจากการกินแล้วมันจะกลายเป็นการหาความทุกข์ไปเพราะจะกินมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยทางร่างกายแล้วก็จะเป็นอุปสรรคทางจิตใจจิตใจเวลาก็ประทานมากๆจะเกิดความเกลียดคล้านจะไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเวลานั่งสมาธิก็จะสับประงกเกิดความง่วงขึ้นมา ทำให้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วไม่ได้ผลกันถ้าต้องการที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาต้องไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเพียงครึ่งเที่ยงวันก็พอถ้ายังรับประทานวันละมื้อไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะรับประทานเกินสองมื้อก็ก็เพียงพอต่อการ เยียวยาความหิวโหวยของร่างกายให้รับประทานอาหารเหมือนกับเรารับประทานยาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็กินยากินตามเวลาที่หมอสั่ง <c oughs> กินตามปริมาณที่หมอให้กินไม่ใช่กินตามความอยากอยากจะหายเร็วๆก็กินมันทีทั้งขวดเลย ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้หายหรอกตายเพราะกินเกินประมาณต่อความต้องการอะไรที่มันมากเกินไปแทนที่มันจะเป็นคุณมันจะกลายเป็นโทษขึ้นมาเหตุนคนฉลาดต้องรู้จักการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็คือตามหลักที่พระเจ้าสอนถ้าเป็น อุบาศกอุบาสิกาถือศีลแปดก็ให้กินแค่ไม่เกินเที่ยงวันไปถ้าเป็นพระภิกษุบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้ฉันมือเดียวทุดงขวัดอันนี้เป็นการปามกิเลสความมากมา ก, มากอยากได้มากๆอยากกินมากๆกกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ เวลาอยากกินแล้วไม่ได้กินนี่มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา <c oughs> ถ้าเรามีการควบคุมการกินมีเวลากินมีปริมาณของการกินความโลภอยากจะกินอาหารมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้กินอาหารตามความอยากก็จะไม่เกิด <c oughs> เรากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกินยา อยาไปกินเพื่อให้เกิดความสุขจากการกินเพราะถ้ากินแบบให้เกิดความสุขมันจะกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกินได้ไปชั่วโมงหนึ่งก็อยากจะกินอีกแล้วแล้วถ้าปล่อยให้กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดพิศภัยต่อร่างกายแล้วถ้าจะไปปฏิบัติธรรมก็จะมีอุปสรรคจะมีความง่วงเหงาเขานอนนั่งแล้วสับประงก การที่นั่งแล้วจิตจะสงบจิตก็จะหลับไปอันนี้คือความมากน้อยในการบริโภคอาหารความมากน้อยในการบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มก็ให้มีพอใช้ได้ก็พอไม่จําเป็นที่จะต้องมีเสื้อผ้าล้นตู้เต็มตู้เราก็มีร่างกายเพียงร่างเดียว เวลาใส่เราก็ใส่เพียงชุดเดียวถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้เขาจะมีไว้แค่สามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใช่ชุดชุดหนึ่งเอาไว้ซักและชุดหนึ่งเอาไว้สำรองมีสามชุดนี้ก็พอแล้วสำหรับเครื่องนุ่งหม่มสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการหาความสงบไม่ควรที่จะเสียเวลา กับการที่จะต้องไปหาเสื้อผ้าอาภรณ์มามากมายก่ายกองเพราะจะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปแทนที่จะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติก็ต้องคอยไปซื้อเสื้อผ้ากันอยู่เรื่อยๆไปชอปปิ้งกันอยู่เรื่อยๆซื้อมากี่ชุดก็ไม่รู้จักอิ่มจากพอเห็นชุดใหม่ขายอยู่ในตู้ตั้งอยู่ในตู้ก็อยากจะซื้อขึ้นมา พอซื้อมาใส่ได้ไม่กี่วันก็เบื่อแล้วอยากจะใส่ชุดใหม่ไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อที่มาซื้อใช้ใจ่ายกับของที่ไม่จำเป็นไปไม่เกิดประโยชน์อะไรความสุขได้เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวความสุขได้จากการที่เวลาที่ได้ซื้อมาใหม่ๆทั้งนั้นเองแต่พอมันได้มาแล้ว ความสุขที่ได้จากเสื้อผ้าชุดนั้นก็หมดไปถ้าอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่นี่คือการบริโภคการใช้เสื้อผ้าใช้อย่างมักน้อยใช้เท่าที่จำเป็นสามชุดก็พอสำหรับญาติโยมผู้ปฏิผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุนี่ท่านก็จะใช้เพียง ผ้าไตหนึ่งชุดก็พอผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนสามผืนผ้าสามผืนจีวรสามผืนเรียกว่าไตจีวรแล้วก็คุณภาพของผ้าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผ้าเป็นผ้าไหมผ้ามีราคาแพงๆสมัยพุทธกาลนี้พระท่านใช้ผ้าที่ ทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าที่เขาใช้หอ่อศพหอศพเน่าเปื่อยไปหมดแล้วก็ผ้าก็ก็ไม่มีความจําเป็นไม่มีใครต้องการก็มีพ้าพิสูจนนี่แหละที่จะไปเก็บผ้าในป่าช้าซึ่งสมัยนี้เราเรียกว่าผ้าป่าความจริงผ้าป่าก็คือผ้าหอ่อศพผ้าที่หอ่อศพทิ้งไว้ในป่าช้า สมัยแรกๆของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปขอบริจาคผ้าจากศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนพระให้ไปเก็บผ้าในป่าชาเอามาตัดเอามาเย็บเอามาซักเอามาย้อมทำเป็นผ้าผ้านุ่งหม่มผ้าจีวรแล้วก็ไม่ให้มีมากเกินไป ระยะแรกๆนี่มีผ้าใช้เพียงสองผืนเท่านั้นเองคือผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสบงแล้วก็ผ้าหม่มเรียกว่าผ้าจีวรเท่า น, นี้ก็พอเพียงแล้วต่อมาเมื่อมีพระที่มามีผู้มีศรัทธามาบวชกันเพิ่มมากขึ้นแล้วเป็นผู้ที่ยังมีอินทรีย์อ่อนอยู่คือยังมีความอดทน ต่อความหนาวเย็นไม่มากเท่ากับพระรุ่นแรกๆเพราะพระรุ่นแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระพระอารหันต์กันท่านมีจิตใจมีอินทรีย์ที่แก่กล้าที่เข้มแข็งที่สามารถทนกับความหนาวเย็นของอากาศได้ mm hmm. เมื่อมีพระภิกษุทนกับความหนาวไม่ได้ก็เลยมาขออนุญาตขอ ใช้ผ้าพเพิ่มพระพเจาก็ทรงพิจารณาด้วยพระองค์เอง<ม>ในยามแรกคือตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มก็ทรงใช้นุ่งห่มผ้าจีวอนหนึ่งผืนพอพอเข้ายามที่สองห้าทุ่มสี่ทุ่มถึงตีสองก็อากาศก็เริ่มเย็นมากขึ้น ผ้าผืนเดียวก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่พอกับการป้องกันความหนาวก็เอาผ้าจีวรมาห่มอีกชั้นหนึ่งเป็นสองแล้วพอเข้ายามที่สามตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าอากาศก็เย็นมากขึ้นผ้าสองผืนก็ไม่พอต่อการกันความหนาวก็เลยต้องหยิบผ้าขึ้นมาอีกผืนหนึ่งมาหม่ม ถึงจะพอที่จะกันความหนาวได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าผืนที่สามผ้าผืนที่สามนี้ให้ทําเป็นผ้าสองชั้นเพื่อที่จะได้ใช้ในการป้องกันความหนาวได้อย่างอย่างเต็มที่ผ้าที่ผ้าผืนที่สามนี้เราเรียกว่าผ้าสังคติ ซึ่งโดยปกติถ้าไม่มีอากาศหนาวพระท่านก็จะไม่ใช้ห่มกันเวลาให้ท่านทำพิธีกรรมท่านก็จะมีผ้าสังกตินี้ผ้าอยู่บนไหล่นั่ น, น, นคือผ้าผื้นที่สามของพระภิกษุผ้านุ่งหนึห่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ถ้าไม่มีอากาศหนาวก็ใช้ผ้าสังกตินี้ทำไมต้องพาดไว้บนไหล่ เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีที่เก็บผ้าที่ปลอดภัยเวลาไปไหนมาไหนพระพุทธเจ้าบังคับให้พระเอาผ้าไปทั้งสามผืนเอาติดตัวไปเพราะว่าสมัยก่อนผ้าหายากแล้วก็อาจจะมีขโมยมารักผ้าไปได้ถ้าไปทิ้งไว้ในที่ไม่ปลอดภัยเพราะสมัยก่อนนั้นพระไม่มีกุฏิอยู่กันจะเป็นพระป่าพระทุดง อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถาม้ำตามอะไรต่างๆก็ไม่มีที่เก็บอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนไปทำอะไรให้เอาผ้าทั้งสามผืนติดตัวไปด้วยถ้าไม่ได้นุ่งหม่มก็เอามาเอามาผ้าไวบา้บนหลบนไหลหรือว่าเอาใส่ไว้ในจีวรในยามใส่ไว้ในยามเวลาไปไหนมาไหนให้มีผ้าสามผืนติดตัวไป เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงดูร่างกายคือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองจึงต้องมีความระมัดระวังในการดูแลรักษาผ้าที่ญาติโยมเห็นว่าทำไมพระเวลาทำพิธีต่างๆจึงมีผ้าผืนพาดอยู่บนไหลพาดไว้ทำไมอันนั้นก็เป็นเพราะว่าอดี ต, ตการต้องรักษาผ้าให้อยู่ใกล้ชิดกับตัวเพื่อที่จะได้ไม่สูญหายไป น, นี่คือเรื่องของความมากน้อยในการบริโภคการใช้เสื้อผ้าอย่าเสียเวลามากกับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีเวลาพอที่จะมาปฏิบัติธรรมกันที่จะได้สร้างความสงบให้แก่จิตใจสร้างความหลุดพ้นให้กับจิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับจิตใจต้องเอาเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้กับการปฏิบัติ ถึงจะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้ถ้ามัวแต่มาคอยยุ่งกับการกินการอยู่การใช้อุ ป, ปโภคปัจจัยสี่เวลาที่จะเอาไปปฏิบัติก็จะมีไม่มากพอนี่คือเรื่องของความมากน้อยในการใช้เสื้อผ้าความมากน้อยก็คือเอาพอเพียงเอาเท่าที่จำเป็น ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอให้ใช้กับการดูแลร่างกายได้แล้วคุณภาพของของก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของแพงๆมีราคาแพงๆของแพงของถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเสื้อผ้าที่ถูกกับเสื้อผ้าที่แพงมันก็มีหน้าที่ทำหน้าที่หน้าที่ของเสื้อผ้าก็คือใช้ปกปิดร่างกาย ใช้ป้องกันภัยจากมแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นเท่านั้นเองดัง mm hmm. นั้นถ้าผ้ามันถูก mm hmm. ก็ททำหน้าที่ได้เท่ากับผ้าแพงๆ mm hmm. ก็อย่าไปเสียเวลากับการใช้ของแพงๆเพราะถ้าใช้ของแพง mm hmm. ก็ต้องหาเงินมากต้องเสียเงินมากเมื่อเสียเงินมากก็ต้องหาเงินมากมาใช้ในการซื้อของแพงๆอย่าพยายามใช้อ hmm. ย mm ่างประหยัด อย่าไปใช้อย่าไปหลงกับความนิยมของสังคมว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเว uh huh. ลาไปไหนมาไหนตัวที่ใส่นี้ของแต่ละใชน้นี้รวมกันราคาเป็นล้าน uh huh. กระเป๋าเอยอะไรเอ๋ยเครื่องประดับเอ๋ยอันนี้มันเป็นความหลงของกิเลสมันไม่ได้ทำให้เกิดความสงบแก่จิตใจแต่มันกลับจะทำให้ใจวุ่นวาย ต้องคอยดิ้นรนคอยหาของแปลกๆของหรูหราของที่คนอื่นเขาไม่มีเอามาใส่เอามาอวดคนอื่นทั่งนั้นเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเด่นตนเองรวยแต่ความจริงแล้วมันเป็นความเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะว่าจะต้องคอยดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้กับของแพงๆ แ, แล้วถ้าไม่ ถ้าไม่ระวังก็อาจจะต้องไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมแล้วก็อาจจะถูกจับติดคุกติดตารางไปต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไหลกับเรื่องของอความฟุ้งเฟอ้อเหอ่่หอมความหรูหราของปัจจัยสี่ใช้แบบเรียบง่ายใช้แบบแบบความต้องการของร่างกาย คือถ้ามันทำหน้าที่ดูแลร่างกายได้ก็พอก็ใช้ได้แล้วที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องสร้างบ้านเป็นราคาสิบล้านร้อยล้านที่อยู่อาศัยที่หลบแดดหลบฝนได้ก็ใช้ได้แล้วถ้าไม่มีเงินสร้างบ้านก็เช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้ตายไปก็เอาบ้านไปไม่ได้ คนที่ซื้อบ้านสร้างบ้านไว้ราคาเป็นหลายล้านตายไปก็ออกไปไม่ได้ทิ้งให้คนอื่นเขาอยู่เวลาอยู่ก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ให้คนใช้อยู่เข้าบ้านอยู่กันตัวเองก็ดิ้นนอนตื่นแต่เช้าก็ออกไปนอกบ้านไปทำมาหากินหาเงินหาทองกว่าจะกลับมาบ้าน ก, าก็ดึกบ้างค่ำบ้างกลับมาก็แค่นอ น, น, น, อนอท่านหนึอาบน้ำอาบท่าหลับนอนตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ออกไปนอกบ้านอีกแล้ว เสียงเงินไปทำไมต้องเยอะแยะมาอยู่ก็บ้านไม่แทบแทบจะไม่ได้อยู่เลยปล่อยให้คนใช้อยู่นีไม่ดีคนใช้อยู่จัดปาร์ตี้กันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดปาร์ตี้กัน <c oughs> น, นี่ก็เรื่องบ้านก็เหมือนกันเอาแบบเรียบง่ายเอาพอใช้กับความต้องการของร่างกายก็คือให้มีที่หลบแดดหลบฝนมีที่ปลอดภัยจากภัยต่างๆไม่มี คนมาทำร้ายเราไม่มีสิงสาราสัตว์มาทำร้ายเรา mm hmm. สมัยก่อนพระพุทธเจ้าให้พระอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้ mm hmm. ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากให้ใจสงบนี่อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกเรียบง่ายไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องมาคอยสร้างกัน mm hmm. อยู่ตามอยู่ตามโคนไม้ก็เอากิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพลิง พอปะพอการแดดการฝนได้ก็ใช้ได้ล้วอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเนื้อมผามอยู่ตามเรือนร้างมไม่ต้องการให้เสียเวลากับการที่มาสร้างของเหล่านี้<ม>เอาเวลามาสร้างธรรมะเพื่อมาดับความทุกข์ภายในใจจะดีกว่า<ม><ม>ส่วนเรื่องอยารักษาโรคนี้ท่านก็สอนให้ สมัยก่อนถ้าเป็นพระเขาก็กินยาดองน้ํามูดนะน้นํามูดก็คือน้ําปัสสาวะ<ม>เอาผลไม้บางอย่างเช่นสมอมามาดองมาแช่แล้วเวลามีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาดื่มพอเป็นยาดับรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้โรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าก็สอนว่ามันมีอยู่สามโรคด้วยกันสามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งก็คือ เวลาเป็นแล้วมันก็หายเองได้ไม่ต้องรักษามันก็หายได้เช่นบางทีปวดท้องปวดศีษะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้พอไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอาการปรวดเหล่านั้นมันก็หายไปได้ถ้าได้ถ้ามีเวลาได้พักผ่อนบ้างหรือได้จับนวดบ้างอะไรบ้างบีบบ้างมันก็หายได้ไม่ต้องกินยาก็ได้ เราก็โรคชนิดที่สองก็คือเมื่อเป็นแล้วต้องกินต้องมียารักษาถึงจะหายถ้าไม่มีล ย, ยารักษาโรคมันก็จะไม่หายอันนี้ก็ต้องหายารักษาไปตามมีตามเกิดส่วนโรคชนิดที่สามนี้เป็นโรคที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายอย่างเดียวอันนี้คือโรคที่พวกเราทุกคน ร่างกายของพวกเราทุกคนจะต้องเจอกันทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยจะจนจะมีมีเงินมากมีเงินน้อยอก็ต้องเจอแบบเดียวกันเมื่อเจอแล้วก็ไม่มีทางถ้าไปเจอโรคแบบที่รักษาไม่ได้เงินทองมีเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นของชั่วคราว เมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายขอให้เราเข้าใจอันนี้เราเป็นดวงวิญญาณเราเป็นดวงจิตดวงใจที่ม า, าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือชั่วคราวพาให้เราไปทาอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำเท่านั้นเองแต่มันก็ ทำได้ไม่เกินแปดสิบปีร้อยปีมันก็ต้องถึงแก่การสิ้นสุดลงดนั้นเราอย่าไปหลงอย่าไปยึดติดกับมันดูแลมันไปเท่าที่เท่าที่จําเป็นตามตามความพอดีตามความต้องการของร่างกายแล้วเราจิตใจจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการดูแลร่างกายมากจนเกินไปแล้วจะได้มีเวลาที่จะมาใช้กับการมาดูแลจิตใจที่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่า อันนี้คือเรื่องของความมักน้อยสำหรับชาวพุทธเราในเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่ให้เราเอาพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย <S S S ก็พอแล้ว<ม>เรื่องที่สองที่เราควรจะคุยกันก็คือเรื่องสันโดษสันโดษก็คือการยินดีตามมีตามเกิดบางทีอาจจะได้ไม่พอเพียงก็ให้พอใจไว้ก่อน อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปรู้สึกเสียใจเสียดายหรืออย่าไปจู้จี้จุกจิกว่าอยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้อยากจะเป็นอย่างน้อันนี้จะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมาเพราะบางทีเราก็จะไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้เสมอไปเวลาไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารู้จักใช้คาว่าสันโดษ เกยินดีตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยก็พอใจเพราะมันได้เท่านั้นได้มากก็พอใจได้น้อยก็พอใจเพราะชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมันมีขึ้นมีลงมีได้มากมีได้น้อยมีเสียมากเสียน้อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเราไปจู้จี้จุกจิกว่าจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้ อเวลาที่ไม่ได้ขึ้นมามันก็จะทําให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจเราะเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของทางร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงมันไปตามอัตภาพตามยิตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเราห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นมันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้อง มีการจากเราไปถ้าเราไม่ไปสนใจกับมันมากเกินไปเวลามันเป็นอะไรมันก็จะไม่ได้ทำให้เราต้องเดือดร้อนใจทุกข์ใจ น, นี่คือเรื่องของความสันโดษควยในเรื่องการสันโดษมีอะไรกินก็กินไปมีเสื้อผ้าแบบไหนใส่ก็ใส่ไปมีที่อยู่อาศัยแบบไหนก็อยู่ไปตามมีตามเกิด มียารักษาโรคมีโรงพยาบาลแบบไหนรักษาได้ก็รักษาไปตามมีตามเกิดไปให้ยินดีให้ให้สันโดษถ้าสันโดษแล้วมันจะปากิเลสได้เยอะป่ากิเลสความมากมากปากิเลสความชิ่จี้จุกจิกต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้วันนี้จะไม่มีปัญหาให้เกิดขึ้นมาไม่ไมไ ม, ไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจต้องวุ่นวา ย, ยากับการเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่ ด้วยกับเรื่องต่างๆก็เช่นเดียวกันให้เรามีสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้ก็ยินดีไปตามที่เขาเป็น <c oughs> คนนี้ดีก็ยินดีกับเขาคนนี้ไม่ดีก็ยินดีไปทําไงได้เราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> เขาจะดีก็ดีไปเขาจะชั่วก็ชั่วไป <c oughs> เราจิตใจเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆ อันนี้คือเรื่องของสันโดษพยายามหัดฝึกใจให้เป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามเกิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาประสบพบเห็นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เพียงแต่ปัจจัยสี่กับบุคคลต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยกับดินฟ้ากายก็ ต, ต้องยิ่ต้องสันสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้ฝนจะตกน้ําจะท่วมไฟจะไมหม้มันเป็นสิ่งที่ เราทำอะไรไม่ได้เราเราทำให้ดีที่สุดเราป้องกันได้ก็ป้องกันไปแก้ได้ก็แก้ไปแต่ถ้าแก้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ต้องทำใจทำใจสันโดษยินดีกับการมีการเกิดไปกับยินดีกับสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นมาแล้วใจเราจะไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้คือเรื่องของสันโดษเรื่องที่สามก็คือให้พูดถึง สถานที่ปลีกวิเวกคือสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มีอะไรมากๆนี่จะมีเหตุการณ์ต่างๆมีเรื่องราวต่างๆให้เกิดความวุ่นวายใจเช่นไปเดินตามห้างเงินดีไม่ดีก็มีคนเอาปืนมายิงกันอย่าไปอยู่ที่แบบนั้นพยายามปีกวิเวกไปอยู่ที่ไกลจาก ภัยอันตรายต่างๆแตสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ภัยทางร่างกายการปีกวิเวน้นี้ต้องการภัยทางจิตใจอะไรที่เป็นภัยต่อจิตใจก็คือรูปเสียงกิริย์ลดต่างๆนี่รูปเสียงกิริย์ลดที่เราชอบอยากจะเสพนี่มันมีทั้งรูปเสียงกิริย์ลดที่ให้ความสุขกับเราแล้วมันก็มีรูปเสียงกิริย์ลดที่ให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจกับเราซึ่งบางทีเราก็เลือกไม่ได้ เราอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขกับเราเช่นไปเดินตามห้างดีไม่ดีก็เจอคนบ้ามาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขก็กลายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์กับเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่าไปอยู่ใกล้ๆกับ mm hmm. แสงสีเสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพราะว่ามันเป็นทั้งขุนเป็นทั้งทวดมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ซึ่งเวลาเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะทําให้เราเศร้าเกิดให้เราไม่เกิดให้เราไม่สบายใจขึ้นมาไปหาที่สงบดีกาที่ทางกายจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วจะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจและจะช่วยให้เป็นที่ที่จะทําให้เรามาสร้างความสงบให้แก่จิตใจ ชาวพูดเล่าผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องการความสงบของใจเป็นหลักไม่ต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามั น, เ ป, นเป็นความสุขไม่แน่นอนซึ่งจะจากสุขมันจะอาจจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามได้บังคับได้เวลาที่มันจะพลิกจากความสุขมกากลายเป็นความทุกข์มันก็พลิกขึ้นมาได้อย่างทันทีทันใด อย่าไปหลงไหลกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดัพะให้เรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งและก็เป็นเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะรักษาได้เมื่อเรารู้จักทําใจให้สงบแล้วเราก็สามารถที่จะทําใจให้สงบไปได้เรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ในเบื้องต้นตอนที่เรา หัดทำใจให้สงบนี้เราต้องอาศัยสถานที่ที่สงบก่อนถ้าสถานที่ไม่สงบนี้มันจะทําให้การทําใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากเพราะจะมีเรื่องราวต่างๆมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยลบกวนใจนั่นเองเห็นต้องพยายามไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่มายุ่งยวนกวนใจทำไมอยู่ที่ สงบที่ไม่มีไม่มีเรื่องราวต่างๆอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามวัดปฏิบัติธรรมวัดปฏิบัตินี้ท่านจะไม่ให้มีเรื่องราวต่างๆเข้าไปในวัดท่านจะห้ามไม่ให้เอามือโทรศัพท์มือถือเข้าไปใช้ในวัดไม่ให้เอาทีวีไม่ให้เอาวิทยุไม่ให้เอาหนังสือพิมพ์ไม่ให้เอาอะไรต่างๆเข้าไปเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะมาทำให้เกิดความวุ่นวายใจได้นั่นเอง ให้อยู่กับธรรมชาติที่สงบ<ม>เสียงนกเสียงกาเนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เหมือนกับเสียงคนเวลาได้ยินเสียงคนนี้ใจจะลุกเป็นไฟขึ้นมาทันที<ม>แต่ได้ยินเสียงนกเสียงกาเนี้ใจจะเย็นใจจะสบายเร<ม><ม>ให้รู้จักปีกวิเวกหาที่สงบ<ม>เพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะได้ทําให้ใจสงบทําให้ใจเย็นใจมีความสุข ถ้าอยากจะหาความสูงจากความสงบนี้<ม>การปีกวิเวกนี้เป็นเรื่องที่จาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง<ม>ถ้าไม่มีที่ปีกวิเวกไม่มีที่สงบแล้วการจะทำใจให้สงบนี่ยากทำแทบจะไม่ได้เลย<ม>ถ้าอยู่ตามบ้านตามเมือง น, นี่จะหาที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรถที่ยั่วยวนกวนใจนียาก<ม><ม>จะทาให้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะไม่สงบสงบได้ยาก ไม่เหมือนกับเวลาที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดปฏิบัติธรรมจะเป็นที่ที่เอื้อต่อการทำใจให้สงบ<ม>นี่คือเรื่องของการปารบเรื่องสถานที่สงบเคยไปเจอสถานที่ไหนที่สงบก็เวลาคุยกันก็เล่าให้กันฟังมาที่ตรงนี้ดีนะที่ตรงนั้นดีนะคนที่ไม่รู้ว่าที่ตรงไหนดีก็จะได้รู้เผื่อจะได้ไปทดลองดูว่าเป็นอย่างไร แบ่งปันกันแบ่งบอกสถานที่ที่ดีที่สงบสงัดวิเวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปารลบเรื่องของความวิเวกอย่าไปคุยเรื่องไปศูนย์การค้านั้นศูนย์การค้านี้อย่าไปที่โรงภาพยนตร์นั้นโรงภาพยนตร์นี้โรงแรมนั้นโรงแรมนี้อาหารร้านอาหารนั้นร้านนี้สถานที่เหล่านั้นไม่เป็นที่ปีกวิเวกอาหารที่เหล่านั้นเป็นที่วุ่นวายใจ เวลาไปอยู่แล้วมันมักจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไม่อยากต้องการความวุ่นวายใจต้องการความสงบใจก็อยากไปตามที่เหล่านั้น น, นี่คือเรื่องของการปลพบเรื่องของการปีกวิเว้การหาสถานที่สงบสงดัดแล้วเรื่องที่สี่ก็ให้พูดถึงเรื่องความเพียรความเพียรพยายามที่เราจะมาปฏิบัติธรรมต่างๆเพียรฟังเทศฟังธรรมวันกี่รอบ โอกาได้ฟังธรรมบ่อยไหมหมีเมื่อฟังธรรมแล้วเราจะได้เกิดปัญญาเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมระดับต่างๆว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเช่นต้องปฏิบัติทานต้องปฏิบัติศีลต้องปฏิบัติสมาธิต้องปฏิบัติปัญญา <Yes. S 2> เพียงฟังเทศฟังธรรมก่อนเมื่อฟังแล้วรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็เพียงนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาผลต่างๆของธรรมก็คือความสงบของใจความดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้มันไม่เกิดจากการที่เร า, เาฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวฟังแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติปปตแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมมันก็จะปฏิบัติไม่ถูก ก็ต้องมีการต้องมีการฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทําทให้ใจสงบถึงจะทําทให้ใจไม่ไ ม, ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเมื่อเรารู้แล้วเราก็นําออกไปปฏิบัติทำเพียรพยายามเพียรสร้างธรรมะที่เรายัางไม่มีให้เกิดขึ้นถ้าใจเรายัางตนันอียังหวงทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองอยู่ก็ทําบุญทําทานเพื่อคลายความตนันอี ฝ่ายความยึดติดในข้าวของเงินทองข้าวของเงินทองมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เกิดมันมันมีปัญหามันสูญเสียไปถ้าเรายังยึดติดกับมันเราจะทุกข์เวลาที่เราสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าของแต่ถ้าเราไม่ไม่ยึดไม่ติดเราทำบุญทำทานไม่เสียดายกับข้าวของเงินทองเก็บไว้เท่าที่จาเป็น เวลาสูญเสียเงินทองไปะงจะไม่รู้สึกทุกข์กับการสูญเสียเท่าไหร่ต้องพยา ย, ยามเพียรพยายามปฏิบัติตามคําสอนทมที่พระเจ้าทรงสอนท่านสอนให้เรารักษาศีลถ้าเราต้องการที่จะทำใจให้สงบเบื้องต้นขั้นแรกเราต้องรักษาศีลกันก่นอน เราก็มามาสนทนาธรรมเรื่องของการรักษาศีลว่ศีลมีอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้คุยกันเราจะได้บอกกันได้ศีลห้ามีไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีไม่ให้พูดปดไม่ให้ดื่มของมึนเมาหรืฤเสพยาเสพติดต่างๆให้ละเว้นการกระทำเหล่านี้ถ้าต้องการทําใจให้สงบถ้าไม่มีศีลไว้แล้ว เวลาไปทำบาปนี้มันจะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจยากต่อการทำใจให้สงบได้สีหานี้ก็เป็นสีลขั้นต้นนอกจากสีห้าแล้วถ้าอยากจะไปปฏิบัติเต็มรูปแบบ<ม>ก็ต้องไปถือสีลเพิ่มอีกสามข้อเป็นถือสีแปดไปการถือสีแปดนี้ก็เพื่อละงับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปเสียเวลากับการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เอาไปใช้กับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มามาฝึกสติมาเจริญสมาธิมาทำใจให้สงบแทนถ้าไม่ถือศีลแปดก็ยังดูหนังฟังเพลงได้ยังกินอาหารตามความอยากได้จะกินกี่ครั้งก็กินได้จะร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองก็ทำได้จะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ แต่ถ้าเราถึงศีลแปดแล้วเราก็จะกําจัดจํากัดการกระทําสิ่งเหล่านี้ทําให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการทํากิจกรรมเหล่านี้จะได้เอาเวลาที่ใช้กับการทํากิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการ <c oughs> ทําใจให้สงบมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเบื้องต้นก็ต้องรู้จักศีลว่ามีกี่ระดับ ถ้าเรายัางไม่เคยรักษาศีลเลยเราก็เริ่มที่ระดับต้นก่อนรักษาศีลห้าไปก่อนถ้าศีลห้ายังรักษาไม่ได้ก็รักษาศีลสี่ไปก่อนศีลสีไม่ได้ก็รักษาศีลสามไปก่อนศีลสองไปก่อนหรือศีลหนึ่งก็ได้ถ้ายัางรักษาไม่ได้ห้าข้อเอาทีละข้อก่อนก็ได้ข้อไหนที่เรารู้สึกว่าง่ายเ ร, ารักษาได้ก็รักษาไป เราไม่ดื่มสุรายาเมานี่เราก็รักษาศีลได้ข้อหนึ่งแล้วเรื่องของการไม่ดื่มสุรายาเมาเวลาใครมาชวนเราไปดื่มเราก็ปฏิเสธไป <c oughs> แล้วถ้าเรารักษาศีลข้อที่สองได้เราไม่พูดปลดได้เราพูดแต่ความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้เราก็ไม่พูดเราก็หุบ ป, ปากไว้เฉยๆยท่านั้นเองหรือ บ, บอกเข้าไปว่าไม่ขอตอบได้ไหมคาถามนี้ไม่ไม่สะดวกที่จะตอบไม่ อย่างนี้เราก็ไม่ได้โกหกแล้วพูดตามความจริงถ้าพูดถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าไปพูดขออนุญาตเขาว่าขออนุญา ต, ออญาตไม่ไม่พูดนะขอพูดเรื่องอื่นแทนถือศีลอยู่บอกตอนนี้กำลังถือศีลอยู่มันไม่ยากหรอกถ้าเราถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลข้อนี้เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องพูดปลดเราก็อย่าไปพูดทั้งนั้นเอง<ม><ม>ก็อยู่เฉยๆไปทาเป็นหูทวนลมไปก็ได้ เขาพูดเขาถามอะไรมาเขาถามฮะเหมือนคนหูหนวกหูตึงเดี๋ยวเขาก็เบื่อเขาก็หยุดถามเลยเงี้ยนข้อศีลศีลมันจะรักษาศีลที่รักษาง่ายจะไปหาศีลที่ยากขึ้น ข้อ5านี่ง่ายกว่าข้อ4ข้อ4ก็ยังง่ายกว่าข้อ3ข้อสก็คือการประพฤติผิดประเพณีชอบไปร่วมหลับนอนกับคนที่ก็ไม่ได้เป็นคู่รักคู่คร อ, องของเราไม่ได้เป็นสามีภรรยาของเราอันนี้ก็ต้องคอยหักห้ามจิตใจแล้วข้อที่4ก็คือการรักทรัพย์อย่าไปเอาของของคนอื่นอย่าไปโลภถ้าเรามีมักน้อยสันโดษ เ, เราจะไม่เราจะไม่ต้องไปรัก ขเขาไปขโมยไปเ้าของของคนอื่นเข้ามาเพราะเราไม่ได้โลภอยากได้อะไรมากมายสันโดษแล้วก็ยินดีตามมีตามเกิดถ้าถ้าเราอยากได้ก็ขอเขาได้ถ้าเขาให้เราองนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ผิดถ้าเอาของที่เขาอนุญาตแล้วเขาบอกเออเชิญเชิญอยากได้เอาไปเลยอย่างี้เราก็เอาไปได้ถ้าอยากได้จริงๆก็ลองถามเจ้าของก็ดูว่านี่ขอได้ไม่ของอันนี้อยากได้เหลือเกิน แล้วก็บอกอ่ะอยากจะได้ก็เาไปก็เอาไปถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาทั้นเองแล้วข้อที่ห้าก็คือการฆ่าสัตดอันนี้เป็นของที่ยากบางทีเดี๋ยวก็ยุงกัดก็ตบยุงเจอมดก็อยากจะฆ่ามดกำจัดให้มันหมดไปจากบ้านจากช่องอันนี้เราก็ต้องคิดถึงโหกเขาโหกเรายุงมันก็มีความรู้สึกเหมือนเรา ถึงแม้ตัวมันจะเล็กกับเราแต่ใจมันเท่ากับเราใจมันกับใจเรานี่เหมือนกันมีความรักตัวปัวตายเหมือนกันไม่มีใครไม่มีใครอยากให้ใครมาทําร้ายร่างกายของตนอยให้คิดถึงหัว อ, อกเขาหัว อ, อกเราถ้าจําเป็นก็เพียงแต่พยายามอแยกเขาออกไปอยู่ที่ที่ไม่มาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราอย่าไปทําร้ายเขา <c oughs> อันนี้ก็คือเรื่องของศีลถ้าเรายังไม่รู้จักศีลก็คุยกัน เราจะได้รู้จากวิธีรักษาศีลห้าว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าเราอยากจะรักษาศีลสูงกว่านั้นก็คือรักษาศีลแปดเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปถ้าเราไม่รู้เราก็ไปคุยกับคนที่ก็รู้คนที่รักษาศีลแปดแล้วเขารักษาอะไรบ้างรักษาไปเพื่ออะไรรักษาทำไมต้องรักษาศีลแปดศีลห้าไม่พอหรื อ, อยังไงศีลห้ามันก็ยังไม่ได้ห้ามกิจกรรมทางตาหูจมูกเล่นกาย ยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าถือสิมแต่แล้วนี่ก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครกแฟนก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนด้วยไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันให้มาหาความสุขจากการมาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบตั้แทนไม่ให้หาความสุขจากกินการดื่มกินดื่มแบบไม่มีไม่มีขอบไม่มีเขตไม่ให้กินดื่มตามความอยากให้กินดื่มตามความจําเป็นของร่างกายกินแบบกินยา กินมีเวลากินมีปริมาณอันนี้ก็เป็นศีลข้อ6ศีลข้อเจ็ก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากการบันเทงิงมหัศลศพต่างๆดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปลงไปลงภาพยนตร์ลงละครไปดูการร้องฟ้อนลาทํทำเพลงอะไรต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกาย อย่างนี้แต่งตัวแต่งหน้าทาปากทาําเผ้าทําผมอะไรต่งตงางๆพมันจะเสียเวลามากมันจะทําให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมนั่นเอง<ม>แล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไป<ม>นอนมากเกินไปก็จะไม่มีเวลาก็จะเสียเวลาของการปฏิบัติไปวิธีนอนไม่มากก็อย่าไปนอนบนเตียงที่มันสุกมันสบายมีฟูกหนาๆนะให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็ง ป, ปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อนอนแบบนี้มันจะนอนไม่นานเพราะร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่ อ, อ น, นี่ก็คือเรื่องการประลบของศีลศีลแต่เราก็ยังมีศีลสิ 10, แต่ศีลสิบ น, นี่เป็นศีลของสา ม, มเณรแล้วก็ศีลสองยบเจ็ก็เป็นศีลของพระภิกษุอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสนใจประเภทศีลประเภทไหนแล้วก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ ก็เราจะได้รู้ว่าเรามีกำลังที่จะรักษาศินเหล่านี้ได้หรือไม่เพราะถ้าเรารักษาศินเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าเรานี่มีความสามารถที่จะไปปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้สงบได้ถ้ายังรักษาศินต่างๆไม่ได้นี้ความสามารถที่จะไปทำให้ใจสงบนี้ก็จะยังไม่มีมากพอจะยากต่อการปฏิบัติทำจิตให้สงบ อันนี้ก็คุยให้คุยเรื่องราวเรื่องของศีลต่างๆแล้วก็ให้มาคุยเรื่องการทําสมาธิว่าการทําสมาธิทําอย่างไรถึงทําใจให้สงบใจจะสงบสงบได้อย่างไรใจจะสงบใจก็จะต้องมีสติสติกับสมาธินี้เป็นคนละอย่างกันนะสติคือเหตุสมาธิคือผลสติก็คือการ ควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเรียกว่าสติสมาธิก็คือเวลาจิตไม่คิดเรื่องอะไรจิตนิ่งสงบตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิก่อนที่จะได้สมาธิต้องมีสติก่อนถ้าไม่สามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้เวลานั่งสมาธิใจจะฟุ้งนั่งไปแล้วก็ไม่เกิดผลอะไร ก็เลยไม่รู้ว่าจะนั่งไปทำไมเพราะว่านั่งแบบไม่มีสตินั่นเองงนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้นี้ต้องไปฝึกสติก่อนต้องไปสร้างสติขึ้นมาก่อนวิธีที่จะสร้างสติเพื่อควบคุมไม่ให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆก็ต้องใช้กรรมฐานก็ใช้อารมณ์ผูกใจเอาไว้ให้ใจอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอยู่กับพระพุทธเจ้าให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้า เช่นเลือกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราพยายามให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาพอใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อควบคุมความคิดเพื่อหยุดความคิดถ้าสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนนี้ เวลามันนั่งสมาธินี้จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้ง่ายนั่งอาจจะ 5, 5นาที10นาทีใจก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาใจก็นิ่งสงบสักแต่ว่าลืมความคิดปรุงแต่งหายไปหมดความคิดหยุดคิดใจนิ่งสงบจะมีความสุขจากความสงบอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิสติกับสมาธินี้เป็นคนละตัวกันสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าอยากจะได้ สมาธิต้องเจริญสติก่อนถ้าอยากจะเจริญสติก็ต้องมีกรรมฐานมีอารมณ์ว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเช่นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่บริกรรมพุโทโธใจก็จะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนีน้คิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นแล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้นั่งมันก็ยังคิดต่อคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้น ไอ้พุโทโธได้สองคำก็หยุดคิดละหยุดพุทธโทละกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อดังนั้นการที่เราจะให้นั่งสมาธิแล้วพุโทโธไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดพุดโทโธนี้เราต้องฝึกพุโทโธไว้ตั้งแต่เราตั้งแต่เรายัางไม่มานั่งสมาธิต้องฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกให้มาก uh huh. ฝึกจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยไปเวลาอยากจะพุทธโทมันก็พุโทโธของมันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมัน ถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะไม่ขึ้นมาพอพุโทโธได้คำสองคาไปแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้ า, าไม่มีสติไม่มีพุโทโธใจก็จะไม่หยุดคิดเมื่อใจไม่หยุดคิดเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบนั่งแล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเราต้องการสมาธิต้องการความสงบเพราะความสงบนี้จะเป็นฐานของการใช้ในการต่อสู้กับ กิเลสด้วยปัญญาต่อไปการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อมาทำลายกิเลสเราต้องมีใจที่สงบเป็นสมาธิเป็นเป็นผู้สนับสนุนถ้าใจไม่มีสมาธินี้ใจเป็นใจที่อ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้พอเจอความโลภเจอความโกรธนี้ก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วเวลาเจอความโลภความโกรธแล้วปัญญาสอนว่าความโลภความโกรธนี้ทาให้ใจทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความโลภความโกรธถ้ามีสมาธิก็สามารถทําตามคำคาสั่งหรือคําแนะนำของปัญญาได้ปัญญาบอกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปโกรธอย่าไปโลภถ้าใจมีสมาธิใจใจสามารถหยุดทาใจให้นิ่งได้ใจก็สามารถหยุดความโลภหยุดความโกรธได้เริองต้นต้องฝึกสติให้เกิดสมาธิขึ้นมา เมื่อมีสมาธิแล้วสามารถหยุดจิตทำจิตให้นิ่งสงบได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วเราก็ค่อยไปศึกษาปัญญาต่อศึกษาว่าอะไรที่ทาให้ใจเราทุกทำให้ใจเราไม่มีความสุขเราก็จะค้นพบว่าใจเราไม่มีความสุขใจเราไม่มีความทุกข์เพราะความอยากต่างๆของเรานั่นเองอยากมีนั่นอยากมีนี่ไม่พอสักทีได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เวลาไม่ได้ก ouais, ็เก so ิดความไม่สบายใจเกิดความเสียใจบางทีก็เกิดความโกรธขึ้นมาอยากให้เขาทําสิ่งนั้นอยากให้เขาทําสิ่งนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาขึ้นมาะเวลาโกรธใครทุกขอ่ะใจใครร้อนอ่ะก็ใจของคนที่โกรธมันร้อนใจใจของคนที่โกรธนี่ที่มันทุกข์เวลาโลภอยากได้ก็พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจก็ดิ้นรนดิ้นรนคอยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ และปัญหาของความโลภของความอยากก็คือได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกได้คือแล้วก็อยากจะได้สอกได้สอกแล้วก็อยากจะได้วาพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากนี้มันมันยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ามาหาสมุทรมาหาสมุทรนี้มันยังมีขอบมีเขตมาหาสมุทรนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนนั้นมันยังมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีฝั่ง ย, ยิ่งอยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแผ่ขว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เ, เนี่ยตอนตอน้ตนมาเกิดนี้ก็ไม่มีกี่ตังค์ใช่ไหมเกิดมาก็เกิดมาเป็นทารกพอไม่ให้เงินไปกินขนมก็ดีใจแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยไม่พอแล้วเงินที่กินขนมอยากจะได้มากกว่านั้นแล้ ว, ลวได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นเศรษฐีล้านหนึ่งก็ไม่พอเป็นเศรษฐีสิบล้านก็ไม่พอเป็นเศรษฐีร้อยล้านก็ไม่พอ แต่ดี๋น <celery> ี้มีเศรษฐีเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่พออยู่นั่นแล้วมความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงถ้าไม่มีความพอความสุขมันอยู่ที่ความพอถ้ามันไม่พอแล้วมันท่านล่มันก็เหมือนกับขอทานนถึงแม้มีร้อยล้านพันล้านมันก็ยังอยากได้เพิ่มกันอีกมันก็ไม่ต่างจากขอทานขอทานมันมีสิบบาทก็อยากจะได้ร้อยบาทมันก็ไม่ต่างกันใจน้อยเหมือนกันใจหิวโหยเหมือนกันใจไม่มีความสุขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องหยุดความอยากสกัดความอยากถ้าใจไม่มีความอยากเราใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสบายเมื่อใจนิ่งใจเย็นใจสบายใจก็อิ่มใจก็พอขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติภายนอกทรัพย์สมบัติภายนอกมีแค่อัตถะบริขารมีสมบัติอยู่แปดชิ้นมีบาตห น, นึ่งใบมีผ้าจีวรสามผืน มีเข็มขัดรัดเอวเป็นห้าแล้วก็มีได้ได้กับเข็มเอาไว้ซ่อมจีวรเวลาขาดเวลาฉีกหกแล้วก็มีมีโกนไว้สำหรับปองหนวดปองผมแล้วก็แปดมีที่กรองน้ำสมัยก่อนนี่ต้องตักน้ำตามลำธารลำห้วยต้องมีที่กรองไม่เพื่อจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาเ<ม>ท่านี้แหละคือทรัพย์สมบัติของมหาเศรษฐีทางใจ ใจที่มีความอิ่มความพอใจที่มีบาร ม, มีสุขเศรษฐีทางใจก็คือเศรษฐีรวยด้วยความสุขทางใจความสุขทางใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้เมื่อความอยากหมดไปทุกในใจก็จะหมดไปวิมุตติก็จะเกิดขึ้นมาวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากทั้งนั้น พอเราสามารถใช้ปัญญากําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ทุกก็จะไม่มีเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปเมื่อทุกหมดไปมันก็จะเกิดวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาในใจว่าญาณอย่างทราบว่าในใจของเรานี้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วอีกต่อไปเมื่อไม่มีความทุกข์ออ ไ, ม ไ, มมมกไม่มีความอยากการจะกลับมาเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปภพชาติก็มันจะไม่มีต่อไปเพราะภพชาติเกิดจากการมีความอยากนั่นเอง ถ้ายังมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมีร่างกายเพื่อจะได้มาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายอยแต่ถ้าเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปความรู้ความอย่างทราบความจริงของจิตใจมันก็จะปรากฏขึ้นมาเรียกว่าวิบุติญาณทัศนะนี่คือเรื่องหัวข้อธรรมสิบประการด้วยกันที่เป็นสัมมาวาจาที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา คุยกันเวลาเจอกันอย่าไปคุยเรื่องนินทากาเลชาวบ้านคนนั้นมีเมียกับคนนั้นมีผัวกับคนนี้คนนั้นรวยคนนี้จนคนนี้บ้าคนนี้อะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราพูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดในเรื่องที่ทําให้เราเกิดประโยชน์เกิดความรู้ความฉลาดที่จะเอามาใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจดีกว่าคือให้พูดเรื่องธรรมสิทประการนี้คือหนึ่งให้พูดเรื่องความมากน้อยความสันโดษนะ ความวิเวกการเปรสถานที่สงบวิเวกการทำความเพียรในการปฏิบัติทำขั้นต่างๆพูดถึงศีลพูดถึงสมาธิพูดถึงปัญญาพูดถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์และพูดถึงญาณะวิมุตติญาณะทัศนะการอย่างทราบถึงการหลุดพ้นของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นแก่ใจของตอนแล้ว นี่คือเรื่องธรรมะที่เป็นสัมมาวาจาที่พทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาพยายามปฏิบัติกันเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการเอาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวาหาปุราปริปุเรนติสาขลง เอวเมวะอิโตชินางเปตานังอุปการปฏิจิจตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรัสุยะาเมนิชติรัสุยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตะรายุสุขีทีขายยโกภวะอภพิวะธนสีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจัตารุธรรมวัฏฐานตตอายุวันโอสุขังภาลางช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่ารอให้จนกระทั่งเลิกแล้วค่อยมาถามถ้าเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบถ้าอยากจะถามก็ถามในช่วงนี้หรือถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง u t u b e วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะานาคุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ478ท่านค่ะ YouTube พระสุชาติ Live 299 YouTube Dr.V Channel 45วิทยุออนไลน์7คลับ House 5หน้ากุต188รวมทั้งหมด 1,022 ท่านค่ะใครมีคำถามก็ถามได้เลย คำถามจากคุณใบยกค่ะลูกนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิไม่นานก็เกิดความคิดแต่ก็ความคิดดับแต่ก็ดับความคิดลงได้ไวจึงขอถามพระอาจารย์ค่ะว่าจริงๆพระอาหารหันต์ที่บรรลุนิพพานท่านก็มีความคิดเวลามองเห็นหรือได้ลิ้มรสชาติอาหารแต่ท่านดับความคิดนั้นไม่ปรุงแต่งใช่ไหมคะท่านไม่โลภไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความคิดของท่านไม่ได้คิดไปทางกิเลส ความคิดของท่านคิดไปทางทมเห็นอาหารก็คิดว่าเป็นอุจจาระไปพอเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอุจจาระไม่ใช่กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาการกินอาหารก็เป็นการผลิตอุจจาระนี่ค่ะคำถามจากคุณใบยคค่ะ เวลามีคนไม่ชอบเราคอยหาเรื่องเราต่างๆแต่ลูกวางเฉยได้เจ้าค่ะเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปเบียดเบียนใครท่านก็ยังมีเทวทัศคอยเบียดเบียนเราผูถุชนคนธรรมดาก็ย่อมมีได้เป็นพังก็ย่ยอมมีเป็นธรรมดาคิดแบบนี้วจึงวางเฉยได้ถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าเราใช้วางเฉยได้ก็ถูกต้องแต่คิดแบบไหนก็ได้คิดว่าเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบั ง, บงคับไม่ได้ก็ก็ได้ คิดแบบไหนแล้วทาให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับาการกระทำของคนอื่นก็ใช้ได้บางคนก็คิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าแล้วก็อาจจะไปทาเข้ามาก่อนเขาก็เลยมามามาทำคืนเราก็ให้เข้าไปมันมีหลายวิธีคิดคิดไปตามแล้วแต่จะจ ะ, จะถนัดคิดแบบไหนแล้วทำให้ใจเราเฉยได้ก็ถือว่าใช้ได้คำถามจากทาง yufu youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ในกรณีที่มีการฆ่าคนตายโดยผู้ฆ่าป่วยทางจิตใจและอาจทําไปโดยไม่รู้สึกตัวนั้นเขาจะได้รับผลกรรมเช่นใดบ้างเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเขาต้องรู้เขาต้องรับใช้กกรรมของเขาแน่นอนจะแบบไหนที่เราไม่ได้เป็นผู้ผู้ตัดสินเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้ตัดสินไป คำถามจากยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะพระโสดาบันรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนรูปและนามไม่ใช่เราแต่ยัง ล, ตละตัวละตนไม่ได้เพราะยังใช้รูปและนามหาความสุขจากการมาคุณห้าขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความให้ความรู้ความกระจ่างขึ้นค่ะก็ยังละมไม่ได้ก็ละไม่ได้เลยยังถือตัวมีตนอยู่ต้องเป็น ต้องดูว่ามันเพียงแต่ความคิดความรู้เท่านั้นเองแล้วอย่าไปทำตามความรู้ความคิดที่มันไม่ดี <Yeah. S 1> ให้รู้เฉยๆ <Yeah. S 1> ตัวตนก็จะหายไปคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ เคยรู S <S. ้สึก e: อกุศลในจิตอารมณ์อกุศลแช่อยู่ในจิตเป็นวันขั้นไปกราบพระพุทธรูปจู่ๆก็เกิดอารมณ์ปิติความคิดอกุศลหายไปทันทีและหายสนิทเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะก็มันอยู่ในใจของคุณมาถามนอนทําไมนะคุณก็ดูไปคุณก็พิจารณาไปแต่มันเกิดมันดับไปได้ยังไงก็อันนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้มันดับไปนักปฏิบัติต้องสันติติโก เขารู้จักคิดบ้างไม่ใช่อะไรก็จะไปถามคนอื่นอยู่เนี่ยก็ข้อสําคัญก็เมื่อรู้วิธีดับความทุกข์ได้ก็จบไม่ต้องไปถามว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะว่าเราดับความทุกข์ได้มันก็ดับได้คําถามจากทาง Facebook ค่ะเรามีสติรู้อารมณ์ทุกอย่างค่ะแต่ระงับไม่ได้มีวิธีอย่างไรที่จะระงับให้สําเร็จได้คะ สติมันยังมีกำลังน้อยไปต้องพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนี่ยคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิถ้าสติดีสงบหลังจะไม่งอใช่ไหมคะยุมนั่งหลังงอตลอดค่ะมันไม่แน่หรอกเรื่องหลังเรื่องร่างกายของแต่ละคนมันสลีละเวลานั่งเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกาย เราอยู่กับสติไม่มีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับคบําบาลีคำพุทโธพุทโธไปส่วนร่างกายมันจะงอไม่งอมันจะเองไม่เองมันเป็นเรื่องเรื่องของร่างกายเราไม่ต้องไปสนใจครับคำถามจากทาง facebook ค, ค่ะสุนัขที่เราเลี้ยงเขาในบ้านมีความเรียบร้อยไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยผิดศีลเมื่อเขาตายเขามีโอกาสเกิดในภพที่สูงขึ้นไหมคะ ก็อยู่ที่กรรมของเขาหมดหรือยังบาปของเขาหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็อจะต้องไปใช้บาปต่อแตถ้าบาปของเขาหมดไม่มีไม่มีที่พ้นต่อต่อใจของเขาแล้วใจของเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อตอนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะอโอเคนีใครอยากจะถามก็ถามได้นะช่วงนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องอ อย่ามาฐานตอนที่เราเลิกแล้วเพรจะไม่สะดวก เ, เวลาเลิกเดี๋ยวก็ต้องเก็บข้าวเก็บของคนนั้นคนนี้ก็จะมาขอถ่ายรูปบางคนก็จะมาขอกราบลา<ม>ก็จะไม่ไม่เหมาะกับการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมต้องมีบรรยากาศที่เงียบสงบอย่างตอนนี้แล้วก็จะได้ไม่มีอะไรมารบกวนในการถามการในการตอบ ถ้ามาถามตอนที่มีการการกระทําอะไรต่างๆรอบตัวนั้นมันเป็นบรรยากาศมันไม่เหมาะสมยังไม่ต้องเกรงใจถามได้มันไม่เป็นความผิดหรอกที่เราไม่รู้ถามได้เหมือนกับเราไม่สบายเราก็ต้องไปถามหมอว่าเป็นเพราะอะไรจะทำไงให้มันหายใจเราก็เหมือนกันใจเราก็ไม่สบายได้มันไม่สบายเราก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรจะทำไงให้มันหายก็ไปถามพระดู นีค่คถา่ะคำถามจากคุณสิริชัยค่ะการบวชพระเรียนปริยัติใกล้มารดาเพื่อโปรดมารดามาทําบุญหรือไปวัดหรือไปบวชวัดปา่าเน้นปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์ครับเอาบวชให้ใครล่ะบวชให้แม่หรือบวชให้เราเอะบวชให้แม่ก็อยู่กับแม่บวชให้บ้านก็ได้อยู่ถือศีลแปดไปก็บวชได้คนระเป็นศีลทั้งบวชไปถ้าจะบวชให้แม่ก็ ก็อยู่ใกล้แม่ถ้าอย่าบวชให้เราก็ต้องไปอยู่ตามที่พระเจ้าสอนให้ไปอยู่อยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงหาที่ปีกิเว่ย์หาที่สงบสงัดคำถามจากทาง Facebook ค่ะคุณยายอายุ87ปีฝากถามว่านั่งสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านแต่เวลานอนชอบฟุ้งซ่านค่ะก็เรื่องของนอนเวลานอนก็ห้ามมันไม่ได้ เวลานอนเราไม่มีสติมันก็ฟุ้งซ่านเวลาเร า, น, า น, นั่งสมาธิถ้าเรามีสติมันก็ไม่ฟุง้งหมดได้เหรอทางม่มีคำถามค่ะสตินี่เป็นตัวที่จะคอยควบคุมใจมให้สงบหรือไม่สงบน้่อยู่ที่ตัวสติถ้ามีสติแล้วมันก็จะฟุ้งไม่ได้แต่พอเผลอขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ฟุ้งขึ้นมาได้ เราต้องพยายามทำสติให้มากๆเราจะควบคุมความฟุ้งซ่านได้มากขึ้นคนที่เข้าสมาธิได้บ่อยๆนี้เวลานอนหลับจะไม่ค่อยมีความไม่มีค่อยมีความฝันเ่าไม่มีความคิดเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ยังยังไม่สงบถึงแม้จะนั่งสมาธิก็ไม่ได้หมายความว่ามีสตินั่งแบบไม่มีสติก็ได้นั่งแบบฟุ้งร้างก็ได้ยังต้องคอยฝึกสติบ่อยๆ มันไม่มไม่ยากหรอกฝึกสติก็เพียงแต่เรเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธไปพอเราลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาจะลุกไปทําอะไรแล้วก็พุโทโธไปด้วยกันอาบน้ําก็พุโทโธล้างหน้าก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธกินข้าวกับพุโทโธไปนะถ้าเราอยากจะเจริญสตินะก็ต้องพยายามควบคุมความคิดไม่ให้คิดถ้าต้องคิดที่เรื่องที่จําเป็นก็ข้อ ย, อยู่พุโทโธไว้ชื่วเก่า คิดเรื่องที่เราต้องคิดคิดเสร็จแล้วล้วก็หยุดคิดแล้วกลับมาพุโทโธมแล้วเวลามานั่งสมาธินี่จิตจะสงบได้ง่ายได้เร็วแลวจะสงบได้นานคำถามจากคุณนิดค่ะถือศีลห้าต้มไข่บาปไหมคะต้องอะไรนะต้มไข่ค่ะต้มไ ข, ข่ก็ไข่มันไม่มีตัวก็ไม่บาปไข่ไมันมีสองชนิดไข่แบบมีตัวไข่แบบไม่มีตัว แต่ขายแบบตัวเค้าก็ไม่ได้ออมาขา ย, ยคําถามจากคุณจากถามจาก Facebook ค่ะพุทโธเป็นทํานองเพลงได้ไหมครับพุทโธเป็นทํานองเพลงเหรอก็ลองดูเลย <c oughs> <c oughs> ม่รู้พุทโธเป็นทํานองเพลงได้ไงก็ไม่รู้ ควรจะพูดทัวแบบธรรมชาติดีกว่าถ้าพูดทัวแบบทำนองเพลงมันก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนการเป็นการร้องเพลงไปเป็นการบันเทิงไป mm. อย่าให้มันเป็นการบันเทิงให้มันเป็นการระงับความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าพูดทัวไปเป็นทำนองแล้วมันสงบได้เข้าสมาธิได้ก็โอเคไม่เป็นไรลองทำดู <l ain> ไม่ห้าม มีไหย้ยังไม่มีค่ะไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถิด <c oughs>